สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยห้าสิบเรื่องคนตาบอดแต่กำเนิดและการตอบสนองในเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงที่สาเหตุของความพิกลพิการเราอย่าด่วนสรุปไปครับว่าเป็นเรื่องราวของการทำความผิดบาปอย่างเดียว นะครับเมื่อวานผมสรุปไปแล้วพี่น้องครับเราจะมาต่อกันนะครับเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญการที่พีเอซูได้ใช้น้ำลายหรือพระเขละของพระองค์บ้วนลงที่ดินและนำพระเขละมาทำโครนทาที่ตาของคนตาบอดนั้นในสมัยโบราณนะครับมีความเชื่อกันว่าน้ำลายนั้นมีอำนาจหรือว่ามีผลนะครับในการรักษา พระเยซูตรัสกับชายตาบอดในข้อที่เจ็ดบอกว่าจงไปล้างโคลนออกเสียในสะซิโลอัมเถิดสะนี้จะอยู่ทางใต้ของบริเวณพระวิหารครับพี่น้องครับชายคนนี้กระทําตามที่พระเยซูตรัสสั่งเขาล้างโคลนออกจากตาและเขาก็กลับมาเห็นได้ในการรักษาชายตาบอดคนนี้พระเยซูต้องการยืนยันให้ชายคนนี้เชื่อฟัง นะครับทั้งๆ ท, ที่มีความเชื่อนะครับอยู่ก็ตามแต่ต้องสำแดงความเชื่อออกโดยการเชื่อฟังชายคนนี้ในที่สุดเขามีความเชื่อและเขาเชื่อฟังครับเชื่อฟังทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มีความหวังว่าตาเขาจะเห็นได้พี่น้องครับในที่สุดเมื่อเขาไปล้างโคลนออกจากตาแล้ว ชายคนนี้ก็มองเห็นได้นี่คือการอัศจรรย์ครับพี่น้องเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดส่งผลมาจากการเชื่อฟังและความเชื่อของเขาพี่นะครับอย่าลืมนะครับหลักการที่สําคัญที่สุดถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อมันจะต้องสำแดงออกด้วยการกระทําครับต่อไปเราจะมาดูนะครับว่าการตอบสนองของคนสามประเภทด้วยกันครับในเรื่องนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอตน์นะครับบทที่เก้าตั้งแต่ข้อที่แปด จนถึงข้อที่สิบเจ็ดข้อที่แปดจนถึงข้อที่สิบเจ็ดโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นมองว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพระเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามว่า ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโครนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สะเสืออําแล้วล้างโครนออกเสียข้าพเจ้าได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาจึงถามว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเขาจึงพาคนที่แต ก, กตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่เพเยซูทรงทาโครนทาตาชายคนนั้นให้หายบอด เป็นวันสบาโต้พวกฟาริสีก็ได้ถามเขาว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นและเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโครนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขามิรักษาวันสบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทําหมายสําคัญเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้น ในเมื่อเขาได้ทําให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยเพระวจะนะพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนตาบอดที่กลับมองเห็นได้นั้นมาในข้อสิบแปดสิบเก้านะครับผมจะไปอีกจนถึงข้อที่สามสิบสี่นะครับพวกยิวไม่เชื่อชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็น จนกระทั่งเขาได้เรียกวิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาถามถามว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดแต่กาเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นวิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าทราบว่าคนนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าแต่ทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นใครทาให้ตาของเขาหายบอดขาอ้าพเจ้าก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้ว เขาคงเล่าเรื่องของเขาได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะเขากลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอััยปหิผู้นั้นเสียจากธรมารมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาโตแล้วถามตัวเขาเองเถิดคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอร์ดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป เขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทําอะไรกับเจ้าบ้างเขาทําอะไรตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นตอบคําว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทําไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านคนนั้นด้วยหรือเขาหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นสิทธิของเขาแต่เราเป็นสิทธิของโมเสศ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 ตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีผู้ใดทําให้ตาของคนที่บอดได้กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้เขาหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาป ท, ทั้งสิ้นและเองจะมาสอนเราหรือเขาจึงอับไปหิบคนนั้นเสียพี่น้องรัดการตอบสนองของคนสามประเภทที่นี่นะครับประเภทแรกก็คือเพื่อนบ้านในข้อที่แปดถึงข้อที่สิบสอง ประเภทที่สองก็คือพวกฟาริสีในข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบเจ็ดและบิดามารดาของเขาในข้อที่สิบแปดถึงข้อที่ยี่สิบสามคนสามประเภทนี้ครับเป็นตัวแทนถอดบทเรียนจากชีวิตของคนสามประเภทนี้และพฤติกรรมของเขาได้พี่น้องครับเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นประเภทแรกมายืนล้อมรอบชายคนนี้ พวกเขารู้จักชายคนนี้ในฐานะขอทานตาบอดซึ่งเป็นอาชีพปกติของคนตาบอดในสมัยนั้นพวกเขาก็ถามชายคนนี้และมีความคิดเห็นต่อลักษณะของชายคนนี้ไม่เหมือนกันแต่ชายตาบอดก็ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองนี่เป็นคนตาบอดเป็นคนขอทานเหมือนกับที่พวกคุณพวกท่านเนี่ยได้เห็นคำถามที่สองที่พวกเขาถามในข้อที่สิบก็คือว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรพี่น้องสังเกตดูนะครับว่า ชายคนนี้เล่าเรื่องการรักษาอย่างละเอียดและเขาบ่งชื่อพระเยซูและสถานที่ที่เขาไปล้างคนออกก็คือที่สะซีโลอัมและคำถามสุดท้ายอยู่ในข้อที่สิบสองครับว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนชายคนนั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับเพราะพระเยซูเสด็จไปแล้วทีครับเขาถามสามคำถามนะครับนะฮะเขาถามสามคำถามตาของเจ้าหายบอดได้ยังไงนะะชายคนนี้คุณเป็นใครตาของคุณหายบอดได้ยังไงและ ผู้ที่รักษาคุณอยู่ที่ไหนต่อไปครับก็คือพวกฟาริสีพวกผู้นําศาสนาเพื่อนบ้านก็พาหรือชาวบ้านก็พาชายตาบอดที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้นําศาสนาพวกนี้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ทรงอิทธิพลในในธรรมศาลาและในสังคมในสมัยนั้นครับ ที่เพื่อนบ้านทําอย่างนี้ก็มีเหตุผลหลากหลายประการด้วยกันทุกครั้งที่คนได้รับการรักษาให้หายจากโรคจะต้องไปหาปุโรหิตหรือพวกฟอรีสีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ประกาศว่าเขาสะอาดหรือผู้ที่ไปประกาศว่าเขาหายโรคและการอัศจรรย์นั้นก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นในวันสบัดโตก็จึงทําให้พวกฟอรีสีถามคําถามเดียวกันบอกว่าทํายังไงเขาทําอะไรตาของเจ้าจึงมองเห็น แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพวกเขากําลังหาเหตุที่จะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพระเยซูหาเหตุที่จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบครับที่พวกผู้นําศาสนามีต่อคําอธิบายเรื่องการกลับประมองเห็นอีกหรือการหายโรคของคนตาบอดฝ่ายสีบางคนก็พูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะว่าเขาว่ได้รักษาวันสะบาโตนั่นหมายความว่าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้าครับ ถ้าเยซูมาจากพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูต้องรักษาวันสะบาโตแต่ผู้นำศาสนาบางคนก็บอกว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนี้ได้ยังไงพวกเขาก็เลยถามคนตาบอดในข้อสิบเจ็ดบอกว่าเจ้าคิดยังไงเรื่องคนคนนี้ในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดพี่น้องครับคำตอบของคนตาบอดนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นใครกันแน่ คำตอบที่ดีที่สุดที่เขาสามารถคิดได้ก็คือพระเยซูทรงเป็นผู้เผยเพราะวจนะแต่ไงก็ตามครับแม้กระทั่งแม้แต่คนตาบอดนะครับเขาก็ยังรู้ครับว่าฟาริสีนั้นมีทัศนติทางลบกับมีความมุ่งร้ายกับพระเยซูในที่สุดบิดาบานดาของชายคนนั้นก็ถูกเรียกร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการพวกเขาหมายถึงพวกฟาริสี ก็ถามบิดามารดาของชายคนนี้บอกว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวนี้เขาถึงมองเห็นเป็นที่ปรากฏชัดนะครับว่าพวกเขาไม่ยอมรับคําอธิบายจากปากของชายคนนั้นเลยบิดามารดาของเขาตอบรับสองเรื่องก็คือหนึ่งชายคนนั้นเป็นบุตรสองเขาเกิดมาตาบอดจริงเขาทั้งสองไม่ได้พูดครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เขากลับพูดว่าเขาโตแล้วการรักษาเกิดขึ้นได้ยังไงเขาไม่ได้พูดนะครับ แต่เขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยโตแล้วไปถามเขาเองเถอะเขาคงเล่าเรื่องของเขาได้ทําไมพวกเขาจึงไม่กล้าสนับสนุนถ้อยคําของลูกชายที่กล่าวว่าพระเยซูเป็นผู้รักษาเขาเข้ยิบสองบอกชัดเจนนะครับว่าเขากลัวถ้าพวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูถ้าพวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูแล้วพ่อแม่ของชายตาบอดคนนี้จะมารับพระเยซูพ่อแม่เขาก็จะถูกอภัยหิออกจากธรรมศาลา ธรรมศาสานั่นเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตสังคมและการครบค้าสมาคมของพวกอยู่ครับพี่น้องใครก็ตามที่ถูกขับออกจากธรรมศาลาก็ถูกขับออกจากชมุมชนด้วยในข้อสามสิบสี่ครับในที่สุดหาเรื่องใครไม่ได้ก็พูดถึงกลับมาถึงชายตาบอดคนนี้และพวกเขาก็อับเปหิชายตาบอดคนนี้ออกจากชุ ม, นมชน ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตอบสนองต่องานของพระเจ้าอย่างถูกต้องครับอย่าเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านอย่าเป็นเหมือนกับฟาริสีและอย่าเป็นเหมือนกับพ่อแม่ของชายตาบอดคนนี้เลยอาเมน